เป็นไงมีโมหะไหมสว่างหรือมืดรู้สึกสว่างไหมหรือรู้สึกมัวใครรู้ทันพฤติกรรมของจิตไหมคือการปฏิบัตินะมันมีสองอันอันนึงคือสมถะอันนึงคือวิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่ควรจเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งพระพุทธเจ้าท่านสอน สิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนา2ออันท่านไม่ได้สอนว่าสิ่งที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสสนานะท่านสอนว่าสิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาต้องมีปัญญาประกอบทำสมถะไม่มีปัญญาประกอบเนะก็เป็นสมถะเสื่องซึมไปสมถะทื่อๆสมถะแข็งๆ ซึมมั่งแข็งบ้างในสมถะออกนอกใจฟุง้งออกไปรู้โ น, น้นรู้นี่ภายนอกนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญากำกับไม่ดีเจริญวิปัสสนาก็ต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างบางคนไปดูรูปดูนามดูเวทนาอย่างนั่งสมาธิมีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็นั่งว่าทำยังไงจะเอาชนะเวทนาได้นั่งทนได้ตลอดคืน เวทนาไม่สามารถทําให้เราเปลี่ยนอิริยาบถได้อันนี้ไม่ได้ทำํำวิปัสสนาด้วยปัญญายิ่งเห็นเวทนาจริงนะแต่เกลียดมันอยากละมันเวทนานั้นอยู่ในขันห้าในขันห้าส่วนใหญ่อยู่ในกองทุกข์ยกเว้นตัวตัณหาตัวโลภะอะไรพวกนี้มีสองหมวกหมวกหนึ่งอยู่ในกองทุกข์หมวกหนึ่งอยู่ในกองสมุทัยสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นต้องรู้ รู้ตามความเป็นจริงเขาเรียกว่ารู้ทุกรือะเรียกว่าการปฏิบัติด้วยปัญญาอันยิง่งองอย่าง่านั่งสมาธิปวดเมื่อยขึ้นมา่านั่งทนเอาชนะเวทนาเนี่ยอันนี้ทำผิดละไม่ได้ทำด้วยปัญญาอันยิง่งจะทำรอยโลภมันหนุนหลังอยู่ถ้าทำสำเร็จ น, ะนั่งสำเร็จไม่กระดุกกระดิกได้จนมันหายเมื่อยไปมันก็กูเก่งขึ้นมาอีก งั้นที่ท่านสอนนะแต่และคําแต่และคําของท่านมีความหมายเราเวลาทรงจรําแล้วอย่าให้มันแบ่งไปสิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเมื่อมัมี2อย่างแสดงว่า2อย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันสมถะก็อย่างหนึ่งวิปัสสนาก็อย่างหนึ่ ง, ง, งต้องแยกให้ออกสมถะนั้นเป็นอุบายเป็นวิธีการที่จะทําให้จิตใจ สงบอันหนึ่งทําให้จิตใจสงบและตั้งมั่นอีกอันหนึ่งน้นสมาธามีสองชนิดสมาธิมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งชื่ออารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจิตสงบอย่างหัดภาวนากันหัดพุดโทโธพุโทโธนะจิตสงบนิ่งอยู่อันนี้เป็นอารัมมณูปนิชฌาน รู้ลมหายใจไปจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจลมก็ตื่นขึ้นตื่นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นทำไมสั้นขึ้นสั้นขึ้นมาอยู่นี้เห็นไหมคําแต่ละคํามีความหมายไม่ใช่สั้นลงสั้นลงนะมันสั้นขึ้นสั้นขึ้นลมมันขึ้นขึ้นสั้นเหลือนิดเดียวที่จมูกกลายเป็นแสงสว่างจิตไปรู้แสงสว่างนั้นแทนลมที่เคลื่อนไปมาจิตก็เข้าฌานเข้าฌาน อันนี้ก็เป็นการทำสมถะเพื่อให้จิตสงบจิตอยู่ในอารมณ์เดียวพอดีแรกอยู่กับลมหายใจต่อมามาอยู่กับแสงสว่างหัดพุดโทโธพุโทโธจิตอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหนก็อยู่ในอารมณ์เดียวการน้อจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละเรียกว่าอารมณูปนิชฌานนะเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เอาไว้พักผ่อนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ สมาธินะสมาธิพักผ่อนไม่ได้ทําให้เกิดปัญญามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งซึ่งอาภัพที่สุดเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่เมื่อสามสิบปีก่อนนะไปเรียนจากครูบาอาจารย์ที่ไหนนะท่านมุ่งมาสอนสมาธิตัวนี้เยอะเลยเข้าวัดไหนเข้าวัดไหนท่านพูดแต่คำว่าจิตผู้รูนะ้เข้าที่ไหนท่านพูดประโยคเดียวกันนะผู้รู้มีผู้รู้่ะ การที่มาฝึกเจนกรทั้งจิตเป็นผู้รู้เนี่ยจิตมีสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นนี่แหละเอาไว้เดินปัญญาเงินไม่ใช่สมาธิสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจะทําให้เกิดปัญญานะไม่ทําให้เกิดปัญญามันเป็นที่นอนพักทําให้มีแรงสดชื่นถ้าสดชื่นแล้วเดินปัญญาไม่เป็นจิตถอยออกมาจิตจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกตินะเพราะว่ามั น, ม, นมันนิ่งมานานละมันจะดิ้นแลคราวนี้ นะครูบาอาจารย์ท่านก็เลยออกอุบายว่าไหนไหนมันอยากดิน้นนะแทนที่ให้มันดิ้นสเปสสปะไปคิดตามใจกิเลสให้พามันคิดพิจารณาร่างกายไม่งนะั้นถ้าทําสมาธิชนิดสงบมาแล้วนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะออกมาแล้วต้องมาคิดพิจารณาการคิดพิจารณายัางไม่ใช่วิปัสนาหลวงพ่อพูดสอนชัดเลยสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดหลวงปู่ ด, ดูลสอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดถึงรู้นะแต่อาศัยคิดอาศัยคิดไปอย่างเราคิดไปนะจิตก็เกิดสู่เกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลใช่ไหมอาศัยเป็นตัวตั้งเพื่อกระตุ้นให้จิตทํางานงั้นต้องแยกให้ออกนะบางทีเที่ยวสอนกันแล้วตื้นเกินไปสอนหยาบหยาสอนพุทธโธหายใจพอสงบแล้วออกมาพิจารณากายบอกว่าเป็นวิปัสสนายังไม่เป็นคนละเรื่องกันเลย อันนั้นเป็นอุบายเพื่อไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยหรือจิตฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นซะแต่ว่าก็มีประโยชน์มันเป็นการนําร่องให้จิตหัดมองความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันเป็นอุบายอันนีนะ้ถ้าสามารถเก้าขึ้นมาสู่การรู้ความจริงของธาตุของขันได้นะแยกธาตุแยกขันได้ถึงจะเดินปัญญาจริงเชนมหาบัวสอนเลยบอกว่าถ้าไม่พิจารณาแยกธาตุแยกขันนะ อย่ามาคุยอวดว่าเจริญปัญญานะขันไม่แยกเนี่ยมาอวดว่ามีปัญญาไม่มีจริงหรอกก็ททำแต่ความสงบนิ่งๆไปจะมีปัญญาได้ยังไงนะงั้นถ้าทำสมาธินะจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวพักผ่อนพอสมควรแล้วออกจากสมาธิมาให้คิดพิจารณาอันนี้ยังไม่ขึ้นมีปัสนาแต่เป็นอุบายแก้จิตจะไปฟุ้งไปในเรื่องของกิเลส แทนที่ให้มันฟุ้งไปตามกิเลสก็พามันคิดพิจารณากายพิจารณาจิตอะไรก็พิจารณาไปให้ใจมันเคล้าอยู่ในธรรมะมันยังพอจะเจริญต่อไปได้แต่ถ้าพวกเราฝึกให้ได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาฝึกสมาธิชนิดที่สองให้ได้สมาธิชนิดแรกมีมาก่อนพระพุทธเจ้าใครๆเขาก็ทำฤาษีชีพไพลก็ทำได้ไม่ได้ทำให้บรรลุมรรคผลนปานเพราะนั้นฤาษีบรรลุไปก่อนพระพุทธเจ้าแล้ว อร า, ราราดาบทุทกระดาบที่ทำสมาธิเก่งทั้งนั้นทําไมไม่บรรลุเพราะมันไปทําสมาธิชนิดจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวตอนเจ้าชายศิทธัชย์ยังเด็กๆนะมีงานแลกนาท่านก็ไปดูแลกนาแต่ปรากฏว่าพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นไม้ตัวพี่เลี้ยงนะหนีไปดูพระเจ้าสุดทัวรนะไถนา ทิ้งท่านไปคนเดียวใต้ต้นไม้ท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิอาศัยของเดิมบา ร, รมีท่านสร้างมามากท่านลุกขึ้นนั่งหายใจนั่งหายใจแล้วท่านได้ตรวจรู้ขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาไม่ได้เดินไปทางชานแต่มีความรู้สึกขึ้นมาเสร็จแล้วท่านลืมอันนี้เป็นปกติของทุกคนนะขนาดพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์บา ร, รมีขนาดนั้นจะตรัสเป็นพุทธเจ้าในชาตินั้นแล้วนะของเก่าเคยทานะจิตตื่นขึ้นมาแล้วนะก็ยังลืมไป จนอายุ29ออกไปบวชออกไปบวชก็ไปหาฤาษีก่อนเลยก็เหมือนที่พวกเราคิดนะ่ะเวลาทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัติธรรมนะัสิ่งแรกที่จะทำก็คือนั่งสมาธิคิดเหมือนกันเจ้าชายสิทธัตถะเขาคิดอย่างนั้นแหละออกจากวังมานะสิ่งแรกที่ทําก็คือไปหาฤาษีอราระดาบทอุทกดาบทไปเรียนนั่งสมาธินี่ปัญญาท่านแก่กล้า ท่านเรียนอยู่ไม่กี่วันนะท่านก็จบหลักสูตรของอาจารย์ได้ถึงเนวันสัญญานาสัญญายาตนะนะท่านก็พบว่าไม่พ้นทุกหรอกสติปัญญาท่านแก่กล้าท่านรู้เลยสมาธิสุดขีดนะถึงฌานที่8นะยังไม่พ้นทุกเลยเนี่ยช่วงวันนี้มาสอนแต่นั่งสมาธินะนั่งไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งจะพ้นทุกฌานที่8ไม่ถึงหรอกหาคนถึงฌานที่8หายาก ขณาดฌานที่8ยังไม่พ้นทุกข์เลยนะเจ้ชาชายสิท ธ, ธัตถะท่านรู้มาตั้ง 2,600 ปีแล้วถึงวันนี้ก็จะไปผ่าแต่นั่งสมาธิลูกเดียวแล้ววันหนึ่งจะพ้นทุกข์พ้นได้ยังไงเจ้ชาชายสิทธัตถะท่านพบ ว, ว่านั่งสมาธิไม่พ้นทุกข์นะท่านก็เลยผ่านมาทรมานตัวเองฝึกจิตไม่สําเร็จแล้วมาฝึกกายก็แล้วกันนะมาฝึกกายมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนทรมานมันเพื่อจะได้ทรมานกิเลสตัณหา ทรมานกายก็เพื่อจะทรมานใจทรมานกิเลส ต, ตัณหาคิดอย่างนี้ความจริงลัตติทรมานนี้ก็มีมาตลอดนะมีมาตลอดพอๆกับลทัทติเข้าฌานนั่นแหละน่นมันก็ไม่ใช่ทางวันที่ท่านจะบรรลุพระอราหันต์ท่านก็นึกถึงตอนวัยเด็กได้สมาธิชนิดนี้เราลืมไปตั้งนานแล้วทำไมลืมไปตั้ง6ปีหลงไปตั้ง6ปีความจริงลืมมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละ ตอนออกบมชอายุยี่สิบไปเดินผิดอยู่อีก6ปีอันนี้เป็นบุพปปกรรมของท่านท่านเคยดูถูกพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกอะไรอยู่องค์หนึ่งดูถูกตอนนั้นท่านเป็นโพธิสัตว์นะพวกเราอย่าตื่นโพธิสัตว์มากโพธิสัตว์ตกนรกเยอะแยะไปโพธิสัตว์ก็ยังมีกิเลสอยู่ท่านไปดูถูกพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกอะไรองค์หนึ่งว่าไปได้ทำมาเพราะไปอดข้าวอยู่ในป่าใช่ไหมล่ะ ไ, ไปกันแนกระแหน กรรมันนี้นะส่งผลให้ท่านทรมานอยู่หปีไปล่วงเกินท่านผู้มีศีลมีธรรมเขาต้องระวังนะเราต้องระวังงั้นเราไม่ล่วงเกินใครดีที่สุดเลยเพราะเราไม่รู้เราว่าใครดีหรือไม่ดีหกปีผ่านไปเนี่ยท่านถึงยังนึกได้ว่ามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่เคยทำตอนเด็กๆแล้วลืมไปเพั้นท่านมาหายใจใหม่หายใจคราวนี้ไม่ได้หายใจแล้วมุ่งไปหา แสงสว่างมุ่งเข้าตามแสงสว่างเข้าอารูปอย่างที่เดิมเคยทำแล้วหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะจนกระทั่งจิตเข้าฌานที่หนึ่งสสามสี่ก็ยังทรงความรู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่หายใจแล้วเคลิมเลยขาสติถ้าทําเป็นชำนิชํานาญในสมาธิพอนะกระทั่งจิตเข้าว่ารูปยังไม่เคลิมเลยทรงตัวเด่นเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวนะโลกธาตุนี้ดับร่างกายไม่มีนะแต่ความรู้สึกตัวไม่ขาด เนี่ยท่านมีความรู้สึกเหลืออยู่นะพอออกจากสมาธิเนี่ยท่านน้อมจิตไปพิจารณาเลยว่าอะไรมีอยู่นาะความทุกข์มันถึงมีอยู่ความเกิดมีอยู่ความทุกข์ก็มีอยู่ความเกิดคืออะไรความเกิดคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเราได้มา2ทีอันหนึ่งได้ด้วยการเกิดนะเกิดมาในชาตินี้มาเป็นคนนี้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมา อีกอันหนึ่งเราได้มาเพราะจิตไปหยิบฉวยตาหูวจมูกเลี้นกายใจมันทีละขณะในชีวิตยาวๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ไปสนใจบางทีก็ไปหยิบฉวยออกมาว่านี่ตัวเรานี่ตัวเรางั้นมี2 อ, อันนะชาตินะชาติโดยการเกิดนะนะกชาติที่เป็นขณะจิตที่เข้าไปยึดตาหูจจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาทำไมมีชาติเพราะมีชาติเพราะมีพบพบคืออะไรภพคือความปรุงแต่ง ถ้าจะเป็นชาติที่เกิดมาในโลกนี้ความปรุงแต่งมีสามชนิดที่นำให้เกิดในโลกนี้ได้หรือในพลมรรมโลกในเทวโลกในอบายนะพาไปเกิดเรียกว่าอุปติภพบพบโดยการเกิดนะส่วนพบที่เป็นขณนะขณนะขณนะแต่ละขณะนั้นเรียกว่ากรรมภพจิตทำกรรมอุปติภพนั้นมาจากอะไรนะมาจากจิตกระทากรรมทำสามแบบ หนึทำกรรมชั่วนะฮะทั้ทำกรรมดีนที่3ามทำความว่างงั้นต้องระวังนะชอบทำความว่างสอนกันให้ทำความว่างน้อมจิตไปสู่ความว่างอันนั้นอนะ่ะคืออาเนนชาพิสังขารนะก็จะไปเกิดในภพที่ว่างๆนะไปเกิดทำความชั่วไปเกิดในภพที่ชั่วทำความดีก็ส่งผลให้ไปเกิดในภพที่ดีตัวสังขารตัวนี้ถ้าเรียกว่าสังขารการทำงานของจิตเนี่ย เรียกว่าสังขารแต่ถ้าเป็นในแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตนะจิตที่ทํางานขึ้นมาเรียกว่าภพมันก็คือสังขารอันเดียวกันแหละแต่ว่ามันเกิดคนละทีถ้าเกิดโดยการเกิดเรียกว่าสังขารเกิดมาสังขารทําให้เราเกิดมาตรงนี้พอเราเกิดมาแล้วนะจิตเราทํากรรมนี่คือสังขารที่ปรุงขึ้นมาเป็นขณะนี่แหละนี่แหละทาให้เราเกิดเป็นขณนะขณะอย่างตอนนี้เราเกิดโดยอุปาติภพวพวกเราเป็นมนุษย์ นันโดยกรรมพบพวกเราบางทีก็เป็นเปรตเวลาเราโลภขึ้นมาเราเป็นเปรตโดยกรรมพบบางทีเราก็เป็นสัตว์นรกเรโมโหขึ้นมาบางทีเราก็เจ้าความคิดเจ้าความเห็นอันนี้เราเป็นอสุรกายบานะที่เราก็ใจลอยหลงฟุ้งซ่านไปหลงซึมไปเราเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีเรามีศีลมีธรรมเราก็เป็นมนุษย์นะบางทีเราเสวยความสุขจากบุญจากกุศลของเราเราก็เป็นเทวดาที่จิตเราทรงฌานสงบนิ่ง ในขณะนั้นเรามีกรรมมาพบทำภพของ่มขึ้นมางั้นพบมีสองพบนะมีสองพบพบด้วยการเกิดอันเนี้ยมาจากสังขารมันปรุงเคยสะสมความดีไว้เยอะเ ม, มาเกิดในภพดีสะสมความชั่วไว้มาเกิดในภพชั่วสะสมความว่างๆม า, าไปเกิดภพว่างๆยังเกิดอีกส่วนความปรุงในขณะจิตนี้ใช่ไมเดี๋ยวก็ปรุงดีปรุงชั่วแบบเดียวกันนั่นแหละ กันตัวพบกับตัวสังขารในปฏิจจสุบาทนะอันเดียวกันแต่เกิดคลนละทีตัวสังขารนั้นเป็นส่วนที่อดีตล้ส่งผลให้เราได้ตรงนี้ตัวพบเนี่ยเราทําตรงนี้จะส่งผลไปสู่ความทุกข์ในอนาคตเนะนี่ยท่านดูไปพิจารณาไปนะพมว่ามันเป็นกระบวนการเชื่อมโยงกันของรูปธรรมานามธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็บรรลุพระโสดา ดูต่อไปอีกนะมัรู้สักตาคานาคาพระอรหันต์รวดไปเลยเพราะฉนั้นจะเดินตรงนี้ได้หไหมจิตต้องเตรียมจิตให้พร้อมจิตต้องตั้งมั่นนะท่านหายใจแล้วดูรู้สึกหายใจแล้วรู้สึ ก, สกไม่ใช่หายใจเอาเคลิอมหายใจแล้วรู้สึกเินะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านพิจรารณาพิจารณาไม่ใช่คิดเอาพิจารณาเนี่ยต้องดูของจริงประกอบมีของจริงให้ดูต่อหน้าต่อตา ก็ท่านมีรูปมีนามของท่านให้ดูต่อหน้าต่อตานั่นเองก็เลยรู้เลยว่าโอ้รูปนามมันทํางานสืบเนื่องกันโดยหลักของปฏิจจสมุ ป, ปบาทนั่นเองนะท่านเห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทจริงๆก็คือรูปนามอาวิชาเป็นนามเห็นไหมสังขารเป็นนามวิญญาณเป็นนามนามรูปเป็นทั้งนามทั้งรูปนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทั้งรูปทั้งนามมีทั้งรูปทั้งนาม มีพรรษาพรรษาเป็นนามมีเวทนาเป็นนามมีตัณหาเป็นนามมีอุปาทานเป็นนามมีภพเป็นนามภพเป็นการทํางานทํากรรมของจิตมีชาติคือการหยิบฉวยซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาอันนี้มีทั้งรูปทั้งนามแล้วก็มีทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในปฏิจจสุบาทนัในความเป็นจริงก็คือรูปนามทั้งนั้นเลยท่านเห็นนะรู้เลยว่ามันทํางานสัมพันธ์เป็นลูกโซ่มีเหตุมีผลไม่มีอะไรที่เกิดลอยๆ สิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าใครเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อันนี้จะบรรลุพระอรหันต์โดยการเห็นอนัตตาเรียกเป็นสุญญตะวิโมกต์นัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาแปลว่ามีอยู่ถ้ามันมีเหตุและแต่ว่ามันบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราสั่งได้ เนี่ยปัญญาตรัสรู้ก็เกิดขึ้นงั้นอยู่ๆเราอย่าไปนั่งสมาธินะั่นชอบสอนกันเยอะมากเลยนั่งสมาธิไปละ ว, วันหนึ่งดีเองดีอะไรนั่งแล้วมีแต่ออกนอกนะังบางทีก็เคลิ้มเคล้มลืมเนื้อลืมตัวที่เห็นนั่นเห็นนี่ไปออกมาจากสมาธิก็มานั่งพิจรารณาไม่รู้หรอกว่าจะต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่เหมือนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนสอนกันหนักเลยนะสอนเรื่องจิตผู้รู้เนี่ยต้องเป็นผู้รู้จิตต้องเป็นคนดูให้ได้เข้าวัดไหนก็สอนอย่างนี้นะ งั้นพวกเราจะต้องเป็นผู้รู้ให้ได้ผู้รู้นะะั่นแหละคือตัวพุโทโธเราท่องกันนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธท่องนกแก้วนกขุนทองไม่มีพุโทโธตัวจริงงั้นเราต้องพุโทโธจนเกิดพุดโทโธตัวจริงคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อ, อนอะไรคือพุทโธจิตนั่นแหละคือพุทโธเคยได้ยินไหมจิตคือพุทธะจิตนั่นแหละคือตัวรู้ตัวาธาตุรู้นี่ตัวรู้เนี่ยตอนแรกเนี่ยยังโสมปรกอยู่กิเลสซ่อนอยู่นะ ก็ต้องอาศัยมีตัวรู้แล้วมาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันถ้าไม่ดูธาตุดูขันทํางานนะไม่ใช่วิปัสนาไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานเลยถ้าไปคิดเรื่องธาตุเรื่องขันนี่ก็เป็นสมถะนะยังไม่ทื่นวิปัสนาจริงแต่ว่ามันกระตุ้นเพื่อให้หัดสังเกตนี่ถ้าจิตมันเคยอย่างบางอาจารย์ท่านก็สอนให้พี่นักกายอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระตุ้นให้จิตมันหัดดูต่อมานะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บมันจะดูของมันเองเพราะมันเคยหัดดูมาแล้วเป็นอุบายแต่อันหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ยังไม่ขึ้นตัววิปั ส, สนาวิปั ส, สนาแท้นี่ไม่คิดเอาใช่รู้เอาแต่รู้อาศัยกบางคนเ้างอาศัยคิดนําไปก่อนนั้นก็มีนะแต่ถ้าคนไหนเคยจเจริญปัญญามาดีแล้วนะ่าจะชาติก่อนก่อนพะตัวรู้เกิดท่านนนะ่ะขันแตกออกเลยนะขันแตกออกเลยไม่ยากอะไรง่ายหลวงพ่อไปเจอหลวงปู่ดูลวันแรกนะจริงก่อนจะเจอท่านทําสมาธิมานานนะ เคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดพุทโธแล้วพิ่จรรคกายมาดูไก่ดูผมนะดูผมนละ้จิตเราเป็นคนดูอยู่เนี่ยดูผมปุ๊บผมสลายหมดเลยนะเห็นหนังหัวไม่มีผมอนะ่ะดูหนังศีรษะนะหนังศีรษะเปิดหายไปเลยเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระโหลกที่ได้ก็เห็นแต่ตรงนี้นะเห็นปุ๊บมาทั้งหัวนะเห็นทั้งหัวนะหัวเราเปิดหายไปอีกตัวลงมาอีกตัวเนี้ยนะทะลุเนื้อเนื้อหายไปหมดนะเห็นกระดูกทั้งตัวเลย ดูลงไปที่กระดูนกะดูกระเบิดหรือตรงไปเป็นก้อนกรวดเล็กๆนะดูตามลงไปนะ้ำมันใสใสแล้วมันกลายเป็นแสงสว่างไปเราได้รู้เลยว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะแยกให้ถึงที่สุดนักลายเป็นแสงนี่กลายเป็นแสงได้อาจุจันทร์ไหมนะวัตถุทั้งหมดนะทั้งโลกเนี่ยแตกตัวออไปกลายเป็นคลื่นไปหมดนะสุดท้ายกลายเป็นคลื่นเท่านั้นเลยนะถ้าอยากเพื่อนมันไหนเป็นคลื่นแสงนะถ้าละเอียดเที่นไปเป็นคลื่นเฉยๆไม่รู้คลื่นอะไรนะ นี่อำนาจของสมาธิพาเราไปดูอย่างนี้นะแต่ว่าเราดูออกนอกดูออกนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่จิตนั้นมันไม่ล้างกิเลสจริงหลวงปู่โดนสอนนะให้มาดูจิตนี่เรามีสมาธิอยู่แล้วเราเห็นจิตทํางานทีแรกไม่รู้นึกว่าดูจิตเนะี่ยคือนั่งเฝ้าไว้นั่งจ้องจิตไปทั้งวันรักษาจิตนะไม่ให้มันหลงมันไหลไม่ให้มันไปรวมกับอารมณ์รักษามันไว้จ้องมันไว้อย่างนี้จ้อง ก็จแบบ้องไว้เรื่อยๆนะไปส่งการบ้านจ้องอยู่ได้สมเดือนตั้งแต่เรียนสมเดือนไปส่งกันบ้านท่านท่านบอกผิดเอ้ยดูจิตอย่างนี้ผิดอีกแล้วท่านบอกไปจ้องไว้เฝ้าไว้ทั้งวันอ่ะผิดอนะ่ะท่านบอกนั่นไปแทรกแซงอาการของจิตแล้วไปยุ่งกับอาการของจิตแล้วคือกลัวมันจะไหลไปก็รักษาไว้กลัวจะไหลไปก็รักษาไว้บางคนสอนดูจิตแบบนี้นะสอนให้ประคองจิตให้นิ่งอย่อยางเงี้ยแล้วมีสติเฝ้าไว้ไม่ให้มันไหลไปไหนตรงนี้แหละ หลวงพ่อทําอยู่3เดือนแล้วมาถึงตรงนี้หลวงปู่ดืนบอกผิดทุกวันนี้ยังมีคนสอนดูจิตแบบประครองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในนี่ลันดอนสอนผิดนั่นแหละนี่พอท่านบอกผิดแลมาดูใหม่ให้ท่านบอกให้ดูเราไม่ต้องไปไปควบคุมมันปล่อยให้มันทํางานแล้วเราตามรู้มันไปเราเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวดีจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ชั่วเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หลง จิตจะสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตจะทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตจะเฉยๆก็ชั่วคราวจิตจะดีก็ชั่วคราวจิตจะโลภจะโกรธจะหลง ก, ก็ชั่วคราวตามดูมันไปจนเห็นความเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ตามเพื่อจะเอาดีไม่ใช่ตามเพื่อจะปฏิเสธชั่วไม่ใช่ตามเพื่อจะเอาสุขไม่ใช่ตามเพื่อปฏิเสธทุกข์นะถ้าหวังจะเอาดีอยากจะรักษาจิตให้เด่นดวงอยู่ทั้งวันเนี่ยหวังให้มันจิตดีไหมมุ่งเอาดีเนี่ยมันเป็นสมถะนะไม่เดินปัญญา เพะะน้นวิปัสสนาจริงเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาเดียวสุขเอาสขของบหรอกแต่มุ่งให้เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็มันก็ดับไปเะฉะนั้นะจิตที่สุขก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตเฉยๆก็อยู่ชั่วคราวจิตที่เป็นกุศลก็อยู่ชั่วคราวจิตที่โลภที่โกรธที่หลงก็ชั่วคราวหมดเลยสุดท้ายปัญญามันปิ๊งขึ้นมามันรู้เลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งในโลกที่มีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นเลย หาสิ่งซึ่งเป็นตัวตนถาวรเป็นอมตะไม่ได้เลยกระทั่งจิตก็เกิดดับนะนี่บางคนสอนกันเพี้ยนเพียนนะว่าจิตเที่ยงนะบอกเจตสิกหรอกเช่นเวทนาสังขารอะไรพวกนี้เกิดดับแต่จิตเที่ยงอันนี้มันมิจฉาทิฏฐนะิพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนยังจะบอกว่าจิตเที่ยงอีกนะมันมีจิตที่หลงอะ่ะ หลงว่าเที่ยงก็คือจิตที่ฝึกไปเรื่อยแล้จนกระทั่งตัวรู้มันเด่นประคองตัวรู้ไว้มันเด่นอยู่อย่างนี้ได้เป็นวันวันนะก็เลยรู้สึกว่าจิตเที่ยงพวกนี้ปล่อยไม่เป็นไม่สามารถปล่อยให้ตัวรู้นี้ทํางานได้ถ้าปล่อยตัวรู้ทํางานได้จะรู้เลยตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวเพ่งใช่ไหมเห็นตัวรู้ก็ไม่เที่ยงแล้วมันมีจิตอีกชนิดหนึ่งพอมันเห็นแจ่มแจ้งนะเห็นขันเนี่ยทุกสิ่งเกิดแล้วดับนะ ตอนแรกจะเห็นแค่เนี้ยเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับมารูปเกิดแล้วรูปก็ดับเช่นรูปหายใจออกเกิดแล้วก็รูปดับไปเกิดรูปหายใจเข้ารูปหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับเกิ ด, ดรูปหายใ จ, ยใจออกรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนมีขึ้นมาแล้วก็หายไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่รูปไม่คงที่อย่างนี้เวทนาความสุขความทุกข์ในกายก็ไม่คงที่ความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจก็ไม่คงที่เห็นมันเกิดดับความจําได้บางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้ ความปรุงเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วปรุงดีก็ไม่เที่ยงปรุงชั่วก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองที่เป็นผู้รู้นะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้เพ่งมีแต่ของไม่เที่ยงพอใจมันแจ้งว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดแล้วดับนั่นแหละภูมิธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นสิ่งซึ่งเกิดแล้วดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะงั้นถ้าเราฟังคําสอนเราจะรู้เลยว่าแต่ละท่านท่านอยู่ตรงไหนถ้าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดัับนนนนี่อึงะ เป็นภูมิธรรมระดับพระโสดาบันนะถ้าบอกว่าจิตเที่ยงนะจิตเที่ยงเนี่ยท่านเล่งมาที่จิตผู้รู้ถ้ารักษาตัวผู้รู้ไว้ตลอดนะพวกนี้ส่วนใหญ่เขาปุถุชนนะแต่สูงสุดที่เดินปัญญามาไปได้นะไปได้ถึงพระนาคาพราะพระนาคาเนี่ยตัวผู้รู้จะเด่นดวงอยู่แต่ปล่อยตัวผู้รู้ไม่เป็นจะรักษาตัวผู้รู้อยู่งนะั้นห่วงตัวผู้รู้นะ อันนี้ดูง่ายถ้าเรามีหูมีตาเนี่ยเราจะเห็นเลยจิตท่านจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้จิตท่านจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเวลานั่งสมาธิจิตก็เคลื่อนเข้าไปในฌานเพราะฉะนั้นตายไปเมื่อไหร่นะจิตท่านจะเคลื่อนไปพรหมโลกเมื่อนั้นเลยนะั่นไม่ใช่จิตเที่ยงจิตเที่ยงสู่สุดจะไปพรหมโกนะลกหลวงปวู่ดนลย์ถงสั่งท่านสอนธรรมะขั้นการดูจิตในขั้นสุดท้ายที่ท่านสอนนะ พบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผูร้รู้พบจิตให้ทำลายจิตอะไรอย่ี้พบผู้รู้ทำลายผูร้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงปู่ดูลสอนธรรมอันนี้ให้กับคนสองคนคนหนึ่งคือหลวงพ่อคนหนึ่งคือหลวงพ่อพุธท่านสอนให้อย่างนี้หลวงพ่อพุธท่านมาคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อไปกราบท่านน่ะท่านก็ถามว่าหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้ ไปเจอหน้าท่านทีไรท่านจะต้องถามทุกทีว่ารอบนี้หลวงปู่สอนอะไรเพราะทุกครั้งที่จะไปหาหลวงปู่นะต้องแวะมาหาท่านด้วยบอกท่านบอกหลวงปู่สอนบอกพอผู้รู้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านบอกเมื่อ7วันก่อนท่านไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนอย่างนี้แหละว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพอผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะท่านเรียกหลวงพ่อพูดว่าเจ้าคุณ เจ้าคุการปฏิบัติจะยากอะไรจําแม่นนะหลวงพ่อฟังมาตนะั้งแต่ปี2องสองหนะฟังหลวงพ่อพูดพูดนะี่จำได้กระทั่งทีละคำเลยมันฝังใจฝังใจมากเพราะว่าท่านสอนต่อท่านบอกว่าพบผู้รู้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตเนี่ยเป็นสุดยอดของกรรมฐานการทําลายผู้รู้ไม่ใช่ไปทําลายตัวมันไม่ทําลายตัวจิตแต่หมายถึงไม่ยึดถือนะท่านบอกอีก คุณกับอาตามามาทํากติกาการใครทําลายก่อนให้มาบอกกันท่านบอกใครทําลายได้ก่อนให้มาบอกกันเราทําลายไม่ได้หรอกท่านทําลายได้ก่อ <c> น <oughs> <g år> ท่านมรณภาพไม่กี่เดือนท่านเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อไปหลวงพ่ออยู่องค์การโทรศัพท์ฟังท่านเทศนะเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบท่านหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกก็ไปบอกท่านบอก หลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองนี่พูดเข้าหานมากเลยโอ้โหฟังแล้วน่าใจนี่สะเทือนเลยซาบซึ้งถึงใจคนที่พูดอย่างนี้ได้ไม่ธรรมดาหรอกฟังแล้วก็รู้ภูมิธรรมแล้วว่าภูมิธรรมขนาดไหนจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่ เมลูกไก่เติบโ ต, ตเต็มที่มันจะทําลายเปลือออกมาเองหน้าที่ของเราเลี้ยงลูกไก่ให้โตเลี้ยงลูกไก่ให้โตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นเอง้เรามาเลี้ยงจิตของเราให้เติบโ ต, ตนะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อมันเติบโ ต, ตเต็มที่แล้วมันจะปล่อยวางความยึดถือจิตเมื่อจิตปล่อยวางความยึดถือจิตแล้วเนี่ยจิตจะแปลสภาพไปอีกแบบหนึ่งละจิตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งนะ ถ้าดูไม่ดีกันึกว่าจิตเที่ยงความจริงไม่เที่ยงจิตเนี่ยมีสองชนิดอยู่จิตพระรหันมีสองชนิดนะมีจิตที่โสมนัตมีความสุขเกิดเจือขึ้นมาก็ได้มีจิตที่เป็นอุเบกขาเจืออยู่ก็ได้มีสองชนิดไม่มีจิตที่เป็นทุกข์ของเรามีสามชนิดมีจิตที่เป็นทุกข์ละสัอันเดียวอนะจะเป็นพระรหันละอดทนหน่อยละอันเดียวเอจิตพระรหันยังมีอีกแยกอีกสองประเภทได้อีกสองอย่าง แยกอีกอีกอีกดเมนชั่นหนึ่งแนะยกด้วยปัญญาจิตบางดวงมีปัญญาจิตบางดวงไม่ประกอบด้วยปัญญางั้นไม่ใช่พระอรหันต์มีปัญญาตลอดเวลานะจิตบางดวงไม่ประกอบด้วยปัญญาบางดวงประกอบด้วยปัญญานี่จิตพระอรหันต์นี่มีหลายประเภทนะองค์เดียวกันนี่แหละขณะแต่ละขณะจิตไม่เหมือนกันแต่มันมีคุณสมบัติร่วมอยู่อันหนึ่งของจิตทุกดวงของพระอรหันต์คือไม่มีอะไรยอมได้ไม่มีอะไรยอมติด งันถ้าเพ่งเล็งมาในสภาวะที่ไม่มีไรย้อมติดเนี่เราจะพูดว่าจิตพระละหันเที่ยงก็พอพูดได้แต่ความจริงไม่เที่ยงมันเที่ยงด้วยคุ ณ, ณสมบัติอันเดียวแหละคือความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าพระละหันท่านพิจารณาถึงความบริสุทธิ์เนี่ยท่านจะพบว่าจิตของท่านกับพระพุทธเจ้านี่เป็นอันเดียวกันจิตกับพระธรรมเป็นอันเดียวกันจิตกับพระละหันนั้นเป็นอันเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงเป็นที่เดียวกันคือความบริสุทธิ์นั่นเอง เอาเชิญไมทานข้าวไป